ความเยื่อให่ด้วยเมตตาและความกรุณาต่อสัตว์เหล่านั้นย่อมเจริญแก่พระมหาบุรุษผู้เห็นสัตรรพสัตว์ดุจบุตรที่น่ารักคือมองเห็นสัตว์ทั้งหลายเขาคือลูกของเราเนี่ยลูกของเรานะ อย่างที่บอกว่าใครที่จะเจริญเมตตาให้ได้ฌานเนี่ยนะที่จะบรรลุฌานจริงๆก็มาตายะฐานิยังปุตตังอายุสัยกับปุตตมานุราเกเนี่ยนะมาดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนแม้ด้วยการยอมสละชีวิตได้ชันใดคุรบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงมีเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะเนื่องจากว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านมีเมตตาต่อต่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะ คืออย่างอย่างถ้าเป็นคนที่เจริญเมตตาให้ได้ฌานเพื่อไปพรหมโลกเนี่ยนะจะด้วยเหตุผลใดก็ตามอธิบายให้ตัวเองต้องมีเมตตานี่เป็นประตูที่จะทําให้เกิดในพรหมโลกแต่นี้มันเป็นเมตตาชนิดที่เรียกว่าเมตตาแล้วมหาเมตตาจริงๆคือไม่ใช่ศัก์แต่ว่าเจริญภาวนาแล้วจะได้ช่วยเอาตัวเองให้รอดไปไม่แต่เป็นการเจริญเมตตาเพื่อช่วยเขาจริงๆให้เขาได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเขาจะไ ด, ได้รับประโยชน์ได้อย่างไรตัวเองจะเดือดจะร้อนจะจะทุกข์จะยากจะลำบากขนาดไหนก็าตามขอให้เขาได้รับประโยชน์เถอะเพราะถ้าหากว่าเขาเสื่อมจากประโยชน์ทั้งหลายแล้วจะเป็นอย่างไรสมมติอย่างเช่นถ้าเขาเสื่อมจากข้าวถ้าเขาไม่มีข้าวทานเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาก็าอดอยากหิวโหยถ้าเขาไม่มียาเนี่ยถ้าเขาไม่มียาแล้วชีวิตเขาจะเป็นยังไงถ้าเขาไม่มีเครื่องนุ่งห่ม ชีวิตเขาจะเป็นยังไงถ้าเขาไม่มีที่อยู่อาศัยชีวิตของเขาจะไปยังไงถ้าเขาเดินทางไม่มียวดยานพาหนะไม่มีเสบียงทางเลยเนี่ยนะชีวิตของเขาเป็นยังไงถ้าชีวิตเขาไม่มีความรู้เลยแล้วเขาจะอยู่ในโลกนี้อย่างไรอันนี้หนึ่งแล้วชีวิตในสังสารวัตรของเขาถ้าเขาไม่มีสาระไม่มีที่พึ่งเขาจะอยู่ยังไงชีวิตของเขาในสังสารวัตถ้าเขาไม่เคยให้ทาน เขาจะอยู่ยังไงถ้าเขาไม่รักษาศีลชีวิตของเขาจะเดือดร้อนขนาดไหนชีวิตของผู้ที่ไม่มีสมรถาวิปัสนาทุกร้อนเร่าร้อนลําบากเดือดร้อนขนาดไหนเพราะนั้นก็เลยน้อมไปเพื่อบําบัดความทุกข์เหล่านั้นว่าทำเช่ไหนเขาจึงจะพ้นจากทุกได้เพราะเมื่ อ, อมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เขาพ้นจากความทุกน้อมนําประโยชน์สุข น้อมนาประโยชน์สุขทั้งประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าตลอดจนถึงประโยชน์อย่างยิ่งให้เขาด้วยอํานาจของเมตตาเพราะอะไรเพราะมีใจรักเยื่อใยในสรรพสัตว์ทั้งหลายเช่นกับบุตรของตนเขว่าดูก่อนผู้เช่นบุตรของตนอนะงี้ยน่ยก็คือดูผู้ผู้เป็นเหมือนกับลูกของตัวเองจริงๆ จากนั้นพระมหาบุรุษก็ได้ทําสิ่งที่เป็นปฏิปัติต่อโพธิสมภารมีมัฉริยะเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านรู้เลยนะว่าภารกิจหลักของท่านสิ่งที่เป็นภาระสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีที่ท่านจะต้องทําก็คือการไปช่วยให้ความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายช่วยให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ทีนี้ไอตัวที่มันขัดขวางจริงๆก็คือศัตรูภายในไม่ได้อยู่ภายนอกนะในโลกนี้การที่เราช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้จริงๆเนี่ย มันเกิดจากศัตรูภายในไม่ใช่ศัตรูภายนอกอุปสรรคภายนอกคนนั้นขัดขวางคนนี้ขัดขวางอะไรไม่ใช่หรอกใจของตัวเองนั่นแหละมันประทุสร้ายตัวเองทําลายตัวเองทําให้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ไม่เต็มที่เพราะอะไรเช่นเพราะความตระณีความโง่ความเคลา้าความเบาปรราัญญาความไม่มีบุญคือไรล้าอย่างนั่นแหละท่านก็เลยต้องมาทําลายบาปอากุศลให้ไกลแสนไกลนะก็เลยทํายานแลนะเบื้องบนเพื่อความเจริญงอกงาม ทำการสงเคราะห์แก่มหาชนโดยส่วนเดียวนะเขาบอกทำทุกอย่างเพื่อการสงเคราะห์แก่มหาชนด้วยสังคหาวัตถุ4ประการเนี่ยนะว่าเราจะต้องให้เขานะนะต้องมีทานการให้ปิยะวาจาการกล่าววาจาปิยะเนี่ยแปลว่ารักนะคำพูดอันเป็นที่รักหรือคําพูดที่พูดแล้วมีความรักเกิดขึ้นนะอันนี้ไม่ใช่ตันหานะอัฏฐจริยาทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์เนี่ยนะเพื่อประโยชน์สมานตาตา ความมีตนสเสมอต้นสเสมอปลายเนี่ยนะกล่าสเสมอต้นสเสมอปลายสังขาวัตถุสี่เหล่านี้เป็นไปตามอธิฐานธรรมสี่ประการอธิฐานธรรมสี่ประการมีอะไรบ้างสัจจาทิฐานจารคาธิฐานอุปสมาธิฐานและปัญญาทิฐานสังขาวัตถุสี่กับอธิฐานธรรมสี่จะต้องมาควบคู่กันไปจริงอยู่มหากรุณา และมหาปัญญาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายประดับด้วยฐานประดับด้วยปิยวาจาประดับด้วยอัตจริยาแล้วก็ประดับด้วยสมานตตาเพราะเป็นผู้มีตนเสมอนะ ไ, ไม่ถือตัวหรือเสมอตน้นเสมอปลายเนี่ยนะเมื่อพระมหาสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ทมสัตว์ทั้งปวงไม่ให้มีเศษคือไม่ให้มีส่วนเหลือด้วยตนปฏิบัติโพธิสมพันย่อมสาเร็จ หรือความสําเร็จย่อมมีเพราะความเป็นผู้มีตนเสมอกันในสุขทุกขเสมอในที่ทั้งปวงเนี่ยนะก็กรุณาซีเจงข้อปฏิบัติที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตัวหลักจริงๆมีอยู่สองข้อคือกรุณากับปัญญาเนี่ยนะกรุณาก็คือมุ่งเปลื้องความทุกข์ให้แก่สรรพสสารทั้งหลายไอ้การที่จะเปลื้องให้เขาพ้นทุกข์ก็เท่ากับว่ามุ่งให้เขาได้รับประโยชน์และความสุขถ้าไม่มีปัญญาช่วยเขาจริงได้ไหมช่วยไม่ได้จริงหรอก เพราะฉะนั้นคุณธรรมภายในจริงๆก็คือตัวการุณากับตัวปัญญาทีนี้อนุภาพของการุณากับปัญญาบอกเลยว่าจะช่วยเขาได้จริงนะต้องให้เข้าของของเขาช่วยเหลือในด้านวัตถุเขาเพราะเขาเดือดร้อนในเรื่องปัจจัยสี่ก็ต้องช่วยปัจจัยสี่แก่เขาแล้วก็ประดับด้วยปิยะวาจาบางคนเนี่ยนะ บางคนเนี่ยเขาต้องการถ้อยคําที่ไพเราะแปลภาษาไทยว่าเขาต้องการกําลังใจว่างั้นนะเขาต้องการกําลังใจคือศรัท ธ, ธาเพิ่มเขาปรารถนาที่จะมีความเพียรมีวิริยะมีสติมีคุณธรรมอย่างอื่นมันจะต้องกล่าวถ้อยคําเพราะว่าคําพูดที่เป็นปิยะวาจาที่จริงแท้ก็คือเช่นพระพุทธพจน์ทั้งหลายเนี่ยเป็นคําพูดที่เป็นปิยะวาจาที่สูงสุดเนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าอย่างคําพูดแบบชาวโลกทั่วไปบอกโอ้พูดให้เกิด ปัญหาเป็นต้นอันนั้นเนี่ยมันเป็นความเห็นเกตตัวด้วยซ้ําไปอันนั้นด้วยบาปอกุศลไม่ใช่ปิยวาจาแท้จริงอะไรอันนั้นก็คือโปรยยาพิษที่ผสมกับน้ําหวานเท่านั้นเองแต่นี่หมายถึงว่าปิยะวาจาที่กล่าวแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขอย่างจริงแท้เพราะฉะนั้นกรุณากับปัญญาเครื่องประดับของกรุณากับปัญญานั้นมีทานมาประดับแล้วการให้ทานเนี่ยนะให้ทานด้วยปิยะวาจา นะประดับด้วยปิยะวาจากล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักปิยวาจาก็ประดับด้วยอัตตจริยาผู้ทุกอย่างเพื่ออัตตจริยาประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่เขาทํำยังไงเขาจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงอัตตจริยาเนี่ยนะประดับด้วยสมานตตาเนี่ยนะเรียกว่าความเป็นผู้ที่มีตนเสมอต้นเสมอปลายเป็นต้นเนี่ยนะ เมื่อพระโพธิสัตว์นั้นทําสัตว์ทั้งปวงอย่างนี้เนี่ยนะให้ไม่มีส่วนเหลือปฏิบัติทุกอย่างเพื่อโพธิสมภารเนี่ยนะก็บอกว่าพระโพธิสัตว์คือผู้ที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชาวโลกทั้งหลายก็ทําอย่างเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อเอาบุญและจะได้เอาบุญตัวเนี้ยเป็นอุปนิสัยให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าการปฏิบัติด้วยการทําความสงเคราะห์โดยส่วนเดียวแก่ชนด้วยสังขา ว, วัตถุสี่เหล่านั้น อันเป็นการทําอธิษฐานธรรมทั้งสี่ประการคือสัจจาธิฐานจาคาธิฐานอุปสมาธิฐานและปัญญาธิฐานให้บริบูรณ์ให้เจริญยิ่งขึ้นให้อธิษฐานธรรมคือคุณธรรมที่รองรับพุทธภูมิเนี่ยนะรองรับความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เต็มเปี่ยมให้บริบูรณ์ให้เจริญยิ่งขึ้นเพราะถ้าหากว่าเจริญสังข า, าวัตถุสี่ประการเท่าใดอธิษฐานธรรมทั้งหลายก็ จเจริญภัยบูรยิ่งขึ้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะสำเร็จแม้ความเป็นพระพุทธเจ้าได้เมื่อสำเร็จความเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็พุทธกิจทั้งหลายก็จะตามมาอนทีนี้ถ้าเรามาจับความสัมพันธ์การระหว่างสังหาวัตถุสี่กับอธิฐานธรรมสี่ว่าสังคหะคือทานเนี่ยนะเป็นความบริบูรณ์และความเจริญด้วยจากาธิฐาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทานก็จะเข้ากับจารคาธิฐานปิยวาจาบริบูรณ์และเจริญด้วยสัจจาธิฐานเนี่ยนะปิยวาจาก็คือสัจจอาทิฐานเพราะฉะนั้นคำพูดอันเป็นที่รักจริงก็ต้องเป็นคําพูดที่จริงแท้อัตจริยาเนี่ยนะอัตจริยาธรรมทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขอันนี้เป็นความบริบูรณ์และเจริญด้วยปัญญาเพรา ะ, ะถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยนะทำให้ได้รับประโยชน์ที่ไหนได้เป็นการ ทำลายประโยชน์นั้นปัญญานี่แหละที่จะเป็นตัวสร้างประโยชน์ให้สําเร็จจริงๆเนี่ยนะการทําอะไรแล้วมีประโยชน์เนี่ยมันทําด้วยปยัญญานะถ้าทําด้วยความโง่เขลาไม่สําเร็จประโยชน์หรอกเพราะฉะนั้นการประพฤติให้เป็นประโยชน์จริงนั้นดํารงอยู่ด้วยปยัญญาตั้งมั่นอยู่ด้วยปยัญญาส่วนสมานตตาเนี่ยนะความมีตนสม่ําเสมอก็สมบูรณ์ด้วยอุปสมาธิฐานเนี่ยนะ อุปสมาธิฐานก็คือดำรงมั่นอยู่ด้วยความสงบความดำรงมั่นอยู่ด้วยความสงบก็คือเรียกว่ารักษาความเสมอต้นเสมอปลายเอาไว้นั่นแลเรียกว่าคนที่สงบจริงอยู่พระตถาคตเป็นผู้เสมอด้วยพระสาวกและพระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งปวงในการปรินิพานคือสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยนะสุดท้ายจริงๆพระพุทธเจ้าพระสาวกพระประเจกพระพุทธเจ้าไม่มีความต่างกันพอถึงวันสุดท้ายนะ ไม่มีความต่างกันในการดับวิบากและกรรมชรูปในการสิ้นวัตตะไม่มีความต่างกันโดยเฉพาะอนุปาทิเสสาริพานการดับวิบากและกรรมชรูปไม่มีความต่างกันในการปรินิพานของท่านเหล่านั้นไม่มีต่างกันเลยอย่างที่พระองค์ตรัสว่าความต่างกันในเรื่องของความหลุดพ้นไม่มีระหว่างสาวกพระปเจก พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่มีความต่างกันเลย ส่วนมีคาถายกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระศาสดาผู้มีสัจจาธิฐานมีจาคาธิฐานมีอุปสมาธิฐานมีปัญญาธิฐานผู้มีใจอนุเคราะห์เนี่ยนะสังฆะเนี่ยนะผู้สะสมบุญบารมีทั้งปวงไม่เพึงยังประโยชน์ชื่อใรให้สำเร็จบ้างการตั้งคำถามว่าพระองค์เนี่ยนะคือผู้ที่มีสังฆะวัตถุสี่เต็มเปี่ยม เป็นผู้ที่มีอธิษฐานธรรมสี่อย่างบริบูรณ์เนี่ยเอางี้ดีกว่าพระ อ, องค์ทาประโยชน์ให้แก่สัตว์อะไรไม่ได้บ้างอ่ะพระ อ, องค์ช่วยอะไรแกสัตว์ไม่ได้บ้างไม่มีเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่พระ อ, องค์ทํำไม่ได้เพราะอะไรเพราะพระ อ, องค์สมบูรณ์ด้วยอธิฐานธรรมสี่สมบูรณ์ด้วยสังขาวัตถุสี่สะสมบารมีทั้งปวงจึงสามารถยังประโยชน์สุขให้แก่สัพสัตทั้งหลายได้จริงนะนะทั้งประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้า โดยเฉพาะประโยชน์สูงสุดคือการนําออกจากวัตทุกประโยชน์สูงสุดคือการบรรลุพระนิพพานเนี่ยนะพระศาสดาผู้มีพระมหาการุณามุ่งเปลื้องทุกข์ให้แก่สัตว์พระสาร ท, ทั้งหลายสแสวงหาคุณอันเป็นประโยชน์แก่สัตว์พระสาร ท, ทั้งหลายผู้วางเฉยไม่คํานึงถึงสิ่งทั้งปวงอ่นนะหมายก็ว่าวางเฉยไม่คํานึงในสัตว์ทั้งหลายด้วยอํานาจตันหาอะไรเลยเนี่ยนะวางเฉยแม้กระทั่งในสุขในทุกข์ โอ้พระชินเจ้าหน้าอัศจรรย์เนี่ยนะเรียกว่าสัตว์ทุอัจฉริยภูตธรรมความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ผู้ที่สร้างประโยชน์และความสุขให้แก่สัพพะสัตทั้งหลายมุ่งเปลื้องทุกแห่งสัพพะสัตทั้งหลายพระศาสดาผู้ทรงนายในสัพพะธรรมนะนะนายในสัพพะสังขารธรรมทั้งปวงทรงวางเฉยในสัตว์ทั้งหลายขวนขวายประโยชน์แก่สัตว์ทุกเมื่อเนี่ยนะ วางเฉยในความผิดความเสียหายความเลวร้ายของเขามุ่งจะช่วยเหลือเขาอย่างเดียวโอ้พระชินเจ้าน่าอัศจรรย์นีน่ยนะแปลว่าพระองค์เนี่ยทั้งๆที่สังขารทั้งหลายพระองค์ไม่เยื่อยใยเนี่ยนะพระองค์มองเห็นสังขารทั้งหลายไม่ต่างอะไรจากอุจจระเนี่ยนะพระองค์เห็นโทษของสังขารทุกชนิดเช่นอุจจระจริงๆแล้วก็บอกว่าเห็นความเลวร้ายของสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ถือสา ไม่ถือสาสัตว์ทั้งหลายเลยแล้วน้อมนำแต่ประโยชน์สุขไปให้แก่สัพพสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ทำได้อย่างนี้คือพระพุทธเจ้าพระองค์จึงน่าอัศจรรย์เนนะสุดท้ายบอกว่าพระาศาสดา ค, ควรขวายไม่เกียรติครานไม่มีความขี้เกียจเลย เป็นคนคนเดียวที่ไม่ขี้เกียจทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่มีเวลาเลยว่าถ้าหากว่าจะช่วยเขาได้จริงเวลาไหนก็ไม่เลือกไม่เกียจคร้านเนี่ยนะคว้นควายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเนี่ยนะเพื่อประโยชน์คือพระนิพพานเพื่อความสุขในมรรคผลแก่สรรพสัตว์ในการทั้งปวงโอ้พระชินเจ้าน่าอัศจรรย์นเนี่ยนะมันพระพุทธเจ้าคือบุคคลที่น่าอัศจรรย์แท้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ทราบซึ้งในพระพุทธคุณเท่าใดมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าเท่าใดท่านก็จะสร้างบารมีได้เพิ่มพูนขึ้นเท่านั้นเท่านั้นเพราะอย่าลืมว่าบุคคลที่สูงสุดเป็นพยานก็คือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นพยานแล้วก็จะสร้างบารมีจะต้องทําให้เท่ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เลยเจริญบุญกุศลขวนขวายอย่างหาที่สุดหาประมาณไม่ได้อันนี้ก็เป็นอุบายที่จะทําให้ บารมีสำเร็จ